คือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้ทั้งอารมณ์ที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลดิเลดเพลินของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขาเพลดิเลดเพลินยินดีอย่างไรพระองค์ก็รอบรู้และเข้าใจความเพลดิเลดเพลินยินดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแต่พระองค์ไม่ได้เพลดิเลดเพลินเช่นนั้นเนี่ยนะเพราะดํารงเป็นดํารงอยู่ฐานะเหนือบุคคลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเห็นแล้วโกรธขัดเคืองไม่พอใจหงดุงดหงิดรําคาญ จากเหตุผลเหล่าใดจากปัจจัยเหล่าใดพระองค์ก็รอบรู้ว่าสีเหล่านั้นสะท้อนให้เกิดความน่ารำคาญเป็นต้นเหล่าใดพระองค์ก็รอบรู้หมดแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรำคาญเป็นต้นในสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแต่พระองค์ไม่ได้รำคาญแบบนั้นเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้สิ่งเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงเพราะพระองค์พ้นด้วยปัญญาเนื่องจากพระองค์ไม่มีปัญญารอบรู้ว่าเออสิ่งเหล่านั้นะ เป็นอย่างไรจัดการบริหารความคิดอย่างไรอะไคือเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเต็มเปี่ยมว่างั้นนะ่ยปัญญาครบถ้วนและบริบูรณ์เหมือนอย่างว่าในโลกนี้สิ่งทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความมืดแต่เมื่อดวงอาทิตย์ส่องไปแล้วไม่มืดสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเป็นที่ตั้งแห่งการมองไม่เห็นแต่พระพผู้ เ, เจ้าเนี่ยมีปัญญาเกินกว่ามองเห็นเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ส่องเนี่ยนะแล้วก็ส่องเป็นพันดวงด้วยเนี่ยมันจึงรอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมด พันพระองค์ได้ยินเสียงที่น่าพอใจด้วยหูจะดมกลิ่นที่น่าพอใจด้วยจมูกหรือจะลิมรสที่น่าพอใจด้วยลิ้นรับกระทบสัมผัสสิ่งที่น่าพอใจด้วยกายหรือเรื่องราวธรรมารมทั้งหลายที่น่าพอใจด้วยใจคือทั้งทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจเนี่ยเขาบอกในโลกนี้ไม่มีใครได้รับสัมผัสสิ่งที่ดีๆภาพที่งดงามเท่ากับพระพุทธเจ้า ภาพเหล่าใดที่เรียกว่าหน้า ง, งดงามที่สุดอย่างเช่นว่าถ้ามองในสายตาผู้ชายเขบอกว่าพร ะ, ะเห็นคนที่งามที่สุดพระองค์ก็มีเหสีที่งามที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าแล้วรูปอันเป็นที่พระองค์ก็มองเห็นเป็นปกติสวรรค์ทุกชั้นพระองค์ก็มองเห็นเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ ติดใจเลยแม้กระทั่งเสียงที่เพาะเนี่ยนะไม่มีใครได้รับคำชมคำสรรเสริญพูดดีกับกับตัวเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีคนสร้างความน่ารำคาญให้ทางทวานตาเรียกว่ายากมากเลยเนี่ยนะโดยวิถีชีวิตปกติแล้วเนี่ยมีแต่คนที่เรียกว่ายินดีเพลดิดเพลิน พ, พอใจเต็มใจอย่างเขาบอกว่าคนไม่สบายใจเห็นพระพักของพระองค์ก็สบายใจแล้วเนี่ยนะคือคนที่เครียดหงุดหงิดราคาญ พอมองเห็นพระพักของพระพุทธเจ้าก็มีความสุขเนี่ยนะดรงอยู่ในภาวะของผู้ที่มีความสุขอยู่ด้วยความสุขเพราะพระองค์จึงได้พบเห็นแต่สิ่งที่น่าปรารถนาได้ฟังแต่เสียงที่หน่าปรารถนารู้กลิ่นที่น่าปรารถนารู้รสรสของอาหารทั้งหลายที่น่าปรารถนาเพราะสิ่งใดที่วิจิตงดงามเนี่ยนะ สิ่งใดที่เรียกว่าดีที่สุดสิ่งเหล่านั้นเขาก็น้อมเอาไปบำรงุงบำเรอพระพุทธเจ้าอย่างแม้กระทั่งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ยีปีเนี่ยนะสิ่งเหล่าใดที่เรียกว่ามันดีที่สุดในทวารตาพระเจ้าสุดโททนะทั้งหลายก็สแสวงหาสิ่งที่ดีเหล่านั้นทั้งมวลมาปรนเปลอมมาถวายให้เสียงใดที่ไพเราะที่สุดเนี่ยนะนักดนตรีเหล่าใดที่เรียกว่าแสดงไนดะ้อย่างไพเราะเสน่หโสตที่สุด ก็ไปสรรหาสิ่งเหล่านั้นมาถวายให้พระโอรสหรือว่าสิ่งเหล่าใดที่เรียกว่ากลิ่นหอมกลิ่นดีกลิ่นเยี่ยมเช่นกลิ่นจันทแดงเป็นต้นพระองค์ก็สเสวยสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติหรือว่ารสอร่าเหล่าใดที่ว่าอริดอร่อ ย, อยนะเครื่องเทศเหล่าใดที่ว่าดีวิเศษหรือว่าพ่อครัวเหล่าใดที่ปรุงได้ฉันเยี่ยมก็คัดสรรเอาบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมาคอยอุปถัมภ์ปรนเปรเ์บำรุงบำเรพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย หรือสัมผัสที่ดีๆเนี่ยนะหน้าหนาวก็ไม่เรียกว่าหน้าหนาวก็อบอุ่นหน้าร้อนก็เย็นนะหน้าฝนเรียกว่าก็อยู่สบายเนี่ยนะเพราะอยู่ด้วยปราศาสตร์ามหลังเรียกว่าไปสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปรับตกแต่งอุณหภูมิของของผู้ที่อยู่แล้วสบายที่สุดเนี่ยนะก็ขวนขวายแสวงหาแล้วก็มันสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหมด ในในทวารกายหรือแม้กระทั่งทวารใจเนี่ยนะเพราะว่าใจทั้งหลายเนี่ยก็น้อมไปรับรู้ตาตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นตามกายพันสิ่งใดที่ดีๆทั้งหลายนะทุกคนก็คัดสรรแต่เสียงบรรจงได้รับแต่คํายกย่องได้รับแต่คําสรรเสริญถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ไม่ติดใจเนี่ยนะเรียกว่าไม่ไม่ได้ติดใจใน อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้รักใครไม่ยังราค่าให้เกิดกายของพระองค์จึงคงที่เนี่ยนะคือไม่มีอกุศลเจตสิกเหล่าใดที่จะทําให้เกิดขึ้นเลยไม่มีใจเหล่าใดที่จะทําให้วิบัติแปรปรวนเพราะพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ด้วยดีในภายในด้วยอํานาจสมาธิหรือด้วยอํานาจของสติสัมปชัญญะพ้นอารมณ์ทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์อารมณ์เหล่าใดที่ดีที่สุด สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําให้จิตใจของพระองค์เนี่ยกำเริบแล้วก็แปรปรวนไปเลยดํารงอยู่ด้วยดีในภายในพลวิเศษแล้วเพราะรอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหรือแม้กระทั่งว่าสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายเนี่ยนะน่ารังเกียจก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเห็นเปรตเนี่ยนะภาพของนรกทั้งปวงพระองค์ก็เห็นทั้งหมดเนี่ยนะนรกกี่ร้อยขุมเนี่ยพระองค์ก็เห็นทั้งหมดเปรตกี่ประเภทชนิดตั้งแต่ด้วยกันน่ารังเกียจน่าขยะขยง หรือพวกเดรชานทั้งหลายเห็นแล้วก็แทบอาเจียนในกลุ่มนอนทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะที่มีกลิ่นเหม็นสิ่งเราได้ทั้งมวลเหล่านั้นพระองค์ก็เห็นหมดหมู่เดรชา ท, า, า, า, าทั้งหลายภาพของสาวพระสัตว์ทั้งหลายในภพสามกำเนิด4คติหเนี่ยนะพระองค์มองเห็นหมดว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยแค่แ ว, ว่าสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะแ ข, ขยงอารมณ์ที่น่ากลัวพิลึกในโลกเรียกว่าพูดผีปีศาจทั้งหลา ย, ท, ลายที่น่ารังเกียจทุกชนิด เรียกว่าถลอกหนังถลอกปอกเปิกเน่าเฟะทั้งตัวนอนชอนชายสารพัด ท, ที่ควรจะเห็นพระองค์ก็เห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเห็นนะสิ่งที่ควรจะฟังเนี่ยเสียงระเสียงหูหวนเสียงสารพัดเสียงที่เรียกว่าควรจะได้ได้ยินเรียกว่าเสียงโหดร้ายเรียกว่าเสียงที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกพระองค์ก็ได้ยินเสียงทั้งหลายเหล่านั้นหรือกลิ่นเหล่าใดเนี่ยนะคือพระองค์เข้าใจรอบรู้ในกลิ่นทั้งหลายว่า กลิ่นทั้งหลายที่ปฏิกูลสกรปรกเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะกลิ่นเหล่าใดที่สร้างความทุกโถมนันให้แกสัพพสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นใดพระองค์ก็รอบรู้ในกลิ่นเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะหรือว่ารสทั้งหลายที่มันจืดชืดไร้ไร้กระว่าไร้ไรสเนี่ยตลอดจนถึงผู้ที่รับรสที่ชั่วช้าลวร้ายปานใดพระองค์ก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหรือสัมผัสทางกายเนี่ยนะร่าร้อนชนิดเรียกว่า ม, มื่ ตั้งแต่ความร้อนในกายเนี่ยตั้งแต่องศาน้อยๆจนถึงเป็นหมื่นๆองศาเนี่ยนะความทุกข์สารพัดชนิดนะความเจ็บปวดสารพัดอย่างที่มีอยู่ในร่างกายนะความเร่าร้อนความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายทั้งปวงเนี่ยพระองค์ก็รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นความทุกข์ความเจ็บปวดแม้กระทั่งชาติสุดท้ายพระองค์ก็ได้เสวยความทุกข์ความเจ็บปวดที่ทําเรียกว่าทำทุกขรกิริยา ชนิดที่คนธรรมดาทําได้ยากแต่ถึงอย่างนั้นใจของพระองค์ก็ไม่หดหูใจของพระองค์ก็ไม่พยาบาทเนี่ยนะใจอย่างพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อย่างอลาวะกะยักษ์เนี่ยนะอลาวะกะยักษ์ก็หาเรื่องทั้งคืนพยามานก็มาหาเรื่องเนี่ยนะบุคคลทั้งหลายที่มุ่งร้ายอาฆาตร้ายขอบต่อพระองค์ก็มีไม่ใช่ไม่มีถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่หดหู่ ไม่ขัดเคืองแล้วก็ไม่มีใจพยาบาทเป็นผู้ที่มีใจคงที่ดํารงด้วยดีในภายในพ้นวิเศษแล้วในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะแผนสรุปว่าพระองค์เห็นรูปด้วยจักษุแล้วมีกายคงที่ในรูปที่น่าชอบใจและไม่ชอบใจมีใจคงที่ดํารงอยู่ด้วยดีในภายในดํารงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะดํารงอยู่ด้วย ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ดำรงอยู่ด้วยรูปประชานอารูปประชานก็ได้ดํารงอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาก็ได้อันพระองค์จะได้ยินเสียงด้วยได้ยินเสียงทั้งมวลด้วยโสต ด, ดมกลิ่นทั้งมวลด้วยจมูกลิ้มรสทั้งปวงด้วยลิ้นจะถูกต้องโพธะพระด้วยกายหรือทราบรับรู้เรื่องราวทั้งปวงด้วยใจแล้วร่างกายของพระองค์ก็คงที่นะเจตสิก ข, ขั้นสามก็คงที่ ใจของพระองค์ก็คงที่ในอารมณ์ทั้งที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจจึงมีใจที่มั่นคงอยู่ด้วยอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิมั่นคงอยู่ด้วยสมมาทและวิปัสนามั่นคงอยู่ด้วยปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานเป็นต้นเนี่ยนะ เพราะพระองค์พลวิเศษดีแล้วเนื่องจากรอบรู้สิ่งที่ควรรอบรู้ละสิ่งที่ควรละทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเจริญในสิ่งที่ควรเจริญทํากิจในอริยศาสตร์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เห็นรูปด้วยตาจึงไม่รักในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เกลียดไม่ชังในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังไม่โง่เขลาหลงงมงายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความ โง่เขลาเรียกว่ามึนตืบเป็นต้นไม่มีเนี่ยนะนึกไม่ออกเป็นต้นอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่โกรธในรูปเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่เศร้าหมองเนี่ยนะไม่เศร้าหมองก็ แ, บบแล้วไม่ทําชั่วในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการ ทำชั่วปกติเนี่ยอารมณ์บางอย่างก่อให้เกิดกายธุจริตวิจีทุจริตและมโนทุจริตอารมณ์ที่ก่อให้เกิดตัณหาก่อให้เกิดมิจฉาทิฐิจึงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเหล่าใดที่จะทำให้พระองค์เนี่ยนยเะเกิดความเกิดอภิชาเกิดโทมนัตเกิดโมราคะโทสะและโมหะมันจึงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเหล่าใดเนี่ยนะ ที่พระองค์รูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูจมูกที่กลิ่นที่รู้ด้วยจมูกรสที่รู้ด้วยลิ้นสัมผัสที่รับกระทบทางกายอารมณ์ทั้งปวงที่ทราบด้วยใจเนี่ยนะมันพระองค์จึงไม่มีราคะในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่มีตัณหาอันเป็นอารมณ์ที่ยั่วยวนก่อให้เกิดตัณหาไม่ขัดเคืองไม่โกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความ ขัดเคืองและความโกรธไม่โง่เขลาหลงงมงายในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโง่เขลาหลงงมงาย เพราะอารมณ์ทุกอย่างผ่านเข้ามาในพระองค์เนี่ยนะเรียกว่าเหมือนสแกนอารมณ์เหล่านั้นเรียบร้อยเหมือนเอ็กซเรย์อารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่ารอบรู้แล้วก็คํานวณอารมณ์เหล่านั้นรู้ว่าเหตุให้เกิดอารมณ์เหล่านั้นอ่ะอารมณ์คือรูปเสียงเปลี่นรสผลสัพพะธรมอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอะไรเหตุปัจจัยสมุทฐานองค์ประกอบของอารมณ์เหล่านั้นเป็นยังไงแล้วอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะ ดำเนินอย่างไรเป็นไปอย่างไรที่สุดของอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอย่างไรพรัน ป, ปัญญานี้วินิจฉัยใครควรวญรอบรู้อารมณ์ทั้งหมดแล้วรู้ด้วยว่าต้องเจริญอะไรในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้นะจะต้องดํารงสติสัมปชัญญะรู้เลยว่าจะต้องดํารงอยู่ด้วยคุณธรรมเหล่าใดจะอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาหรืออุเบกขาจะอยู่ด้วยอสุภาอยู่ด้วยอนุสติอยู่ด้วยสติประธานสา ม, มารถประธานอิทิบาตินทรียพละโพชงแล องค์มรรคพงจะเจริญคุณธรรมเหล่าใดก็ได้ในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะมันจึงไม่รักในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรักด้วยฉันตราคะไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองด้วยโทสะไม่โง่เขลาหลงงมงายด้วยอํานาจของโมหะพรนปองจึงไม่สงสัยในสรรพสิ่งเนี่ยนะไม่สงสัยในสิ่งเหล่านั้นทั้งที่เป็นอดีต อนาคตรหรือปัจจุบันจะภายในหรือภายนอกเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดเหตุปัจจัยที่ดับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอนุท่งจึงไม่สงสัยวิธีการกําหนดรอบรู้วิธีการละวิธีการเจริญวิธีการทําให้แจ้งไม่สงสัยในพุทธคุณทั้งหลายไม่สงสัยในพระธรรมที่นําออกจากทุกนาออกจากสิ่งทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้ไม่สงสัยในหมู่พระเรียเจ้าทั้งหลายที่ปฏิบัติตนเพื่อออกจากทุก พระองค์ไม่สงสัยในวิธีการปฏิบัติที่นําออกจากทุกเลยเนี่ยนะฉั้นพระองค์จึงไม่สงสัยในข้อปฏิบัติเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาพิจารณาใครครวญรอบรู้ทั้งหมดนั้นพระองค์จึงไม่โกรธในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่มัวเมาเนี่ยนะคือปกติเนี่ยนะไอ้ไอบางคนเนี่ยอาจจะโกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโกรธแต่บางคนเนี่ยนะถึงทําอย่างนั้นได้ก็อาจจะเมา เมาด้วยอำนาจของมานะว่าเราเป็นคนพิเศษเป็นคนที่ไม่ธรรมดามีความรู้ความสามารถทำได้ขนาดนี้แต่อย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ได้มัวเมาในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นพันพระองค์จึงไม่เศร้าหมองเนี่ยนะทุจริตกรรมเนี่ยนะทุจริตทางกายวาจาและใจพันธพระองค์จึงไม่ละเมิดทุจริตกรรมทั้งหลาย ไม่มีทุจริตด้วยอำนาจตันหาถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทุจริญแล้วเข้าใจผิดในสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิพระองค์จึงไม่เศร้ามองในอารมณ์และวัตถุทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความเศ้าหมองสัตว์เหล่าใดาเศร้ามองด้วยโทสะกพระองค์ก็ไม่เศร้ามองแบบนั้นสัตว์เหล่าใดที่เศร้ามองด้วยราคาพระองค์ก็ไม่เศร้ามองแบบนั้นสัตว์เหล่าใดที่ลุ่มหลงเศร้ามองด้วยโมหะ พระองค์ก็ไม่เศร้ามองอย่างนั้นสัตว์เราใดเจอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทําชั่วพระองค์ก็ไม่ทําชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเจออารมณ์ทั้งหลายเหล่าใดที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะบนเพลิรำพันนะด้วยอํานาจอกุศลกรรมมาบทหรือว่าจีทุจริตกรรมเหล่าใดพระองค์ก็ไม่เศร้ามองด้วยวจีทุจริตทั้งหลายเหล่านั้นหรือสัตว์เหล่าใดเห็นแล้วเนี่ยนะอกุศลจิตทั้งหลายเนี่ยกำเริบเลยแต่พระองค์ก็ไม่มี ไม่มีกำเริบเพราะพระองค์สามารถที่จะเพิ่มภูมิเจริญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะหรือสิ่งใดที่โดยมากเป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดพบใหม่สิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอากุศลธรรมหรือเป็นที่ตั้งแห่งตันหาที่ก่อให้เกิดพบใหม่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นมิจฉาทิฐิเห็นแล้วเข้าใจผิดมีทิฐิวิบัติเข้าใจคลาดเคลื่อนเช่นใดพระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย